เวลาหลวงพ่อมองผ่านอนะ่ะหลวงพ่อย้อนกลับอะไรเงี้ยมีสองช้อยไม่ดีก็แย่ก <c oughs> ็เลยเก่งเลยเวลาภาวนานะ <c oughs> วางใจเหมือนนึง่งครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาจะเร็วไหลใจขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่กล้าทำ หลงพ่อภาวนานะคิดถึงหลวงปู่ดูลตลอดเวลาเลยใจอยู่กับท่านเวลาเราจะคิดไม่ดีจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดนะีเหมือนท่านตาเคียวใส่เราอยู่นะ ใ, ใจที่ผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์มันเป็นสมาธิในตัวเองเนะนี่ยตัวสังขารุสติจริงๆรละลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรา ใจไม่กล้าเหลวไหลหจะทำอะไรเหมือนท่านมองเนี่ยเหมือนท่านนั่งอยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยานะทำอะไรเนี่ยมีครูบาอาจารย์มองอ่จะขี้เกียจก็ไม่กล้าขี้เกียจเป็นตัวกระตุ้นให้สติของเราต่อเ น, นื่อง แต่ถ้าใจเราอย่างประเภทแมวขโมยเคยได้ยินไหมแมวขโมยทำไมต้องแมวขพราะไม่ต้อหมาก็ ข, ขโมยเป็นพวกแมวขโมยเวล า, ากล่าวว่าครูบาอาจารย์เผลอก็จะทะเลทลายไปเล่นโน่นเล่นนี่นะางานกิจกรรมทำอะไรคิ mm hmm. ว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้ไม่เห็นนะรับหูรับตา พวกนี้เอาดียากเอาดียากใจมันไม่ได้แน่วแน่เด็ดเดียวในการภาวนางันเวลาเราฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานอะไรไม่เป็นก็คิดถึงครูบาอาจารยใ์ใจมันผูกพันอยู่บางทีทำกรรมฐานไปแล้วติดขัด จะภาวนาอยู่นะแล้วเราไม่เข้าใจบางเรื่องเราจะรู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์มาสอนเราบทีก็เห็นท่านเดินมาสอนเนยบางทีไม่ได้เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงบอกเร า, นะาอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอนะไรเป็นเรื่องของใจที่มีสมาธิ มีสมาธิแล้วมันเชื่อมต่อรับครูบาจารย์นะมันก็จะจูนกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์มาเฝ้าเราจริงๆไมไม่ได้มาเฝ้านะครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ของท่านนะเรื่องนี้เคยมีตั้งแต่พศ2510ต้นๆไม่เกิน1314 เป็นเรื่องของท่านเจ้าคุณนอใครเคยได้ยินชื่อท่านท่านมรณภาพมกราปีหนึ่งสี่หลายคนยังไม่เกิดมีฝรั่งมาจากต่างประเทศนะมาหาท่านบอกว่าเนี่ยเขาไม่สบายมากอธิษฐานว่าถ้าในโลกนี้มีใครที่จิตใจบริสุทธิ์หมดจด น, นะ เขาให้มาช่วยเขาด้วยแล้วเขาก็เห็นพระองค์หนึ่งมาเขาไม่รู้ว่าใค ร, ห, รหินพระองค์หนึ่งมาช่วยรักษาเขาหายหมอรักษาไม่หายแล้วก็ผ่านเวลามาช่วงหนึ่งเขาไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าพระองค์ไหนไปบ้านเพื่อนคนไทยไปเห็นรูปท่านเจ้าคุณนอจําได้องค์นี้แหละเลยมากราบท่านเจ้าคุณนอมาขอบคุณท่าน ท่านก็สอนกรรมฐ า, านให้พอเข้าไปนะคนก็ถามท่านเชื่อคุณนออว่าท่านไปช่วยคาเหรอท่านบอกเปล่าไม่ได้ไปแต่จิตของพระระดับท่านนะมันเต็มโลกมันครอบโลกท่านบอกมันเหมือนเคลื่อนวิทยนะุตัวท่านเป็นสถานีส่ง ส่งคลื่นวิทยโยกไปมันอยู่ที่คน ร, รับต่างนนคน ร, รับมันจูนเจอคลื่นนี้มันก็สัมผัสได้งั้นท่านไม่ได้ทําอะไรท่านไม่ได้เก่งว่าเฮอไปสอนอะไรไปช่วยอะไรย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสมาธิจิตมันไปเชื่อมต่อกันเข้าครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาแผ่อะไรนะี่เป็นปกติที่ท่านทําปกติทุกวันนะทําอยู่ละ อย่างหลวงตานะท่านบอกเลยท่านแผ่เมตตานะครอบสามโลกาธาตุไ้เลยงั้นในสามโลกาธาตุนี้ใครระลึกถึงท่านนะก็เหมือนอยู่กับท่านง้นอย่างหลวงพ่อนะผูกพันอยู่กับหลวงปู่ดูลใจระลึกถึงหลวงปู่ดูลก็เหมือนอยู่กับหลวงปู่ดูลแต่หลวงปู่ดูลไม่ได้มาอยู่กับเราเราถ้าหากมาอยู่กับหลวงปู่ดูล การที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์เลยก็ท่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าห่างไกลเราไม่เห็นรูปธรรมของพระพุทธเจ้าเราเห็นแต่พระพุทธรูปพระพุทธรูปหน้าตาก็ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรอกเป็นสั ญ, ญลักษณ์เท่านั้นเองนี่การจะนึกถึงพระพุทธเจ้านี่เราทำยากแต่ยังเรานึกถึง ครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงตานึกถึงอนะไรเราเคยเห็นเราเคยเห็นเรนึกถึงใจมันเอเชื่อมต่อง่าพอใจเราเราลึกถึงนะใจเราก็สงบแน่ๆมีพลังขึ้นมาบางครั้งเวลาจิตใจเราอ่อนแอนะจิตใจเรา อ, อนแอทำสมาธิไม่ได้ทำไงก็ไม่ลงเลยนะเรานึกถึงครูบาอาจารย์ มันเหมือนมีกระแสของพลังงานจากท่านมาสู่ตัวเราจิตเราสงบเลยใครเคยเป็นอย่างนี้เคยเคยเจอยกมือหนะ่อยมีเยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนมีบัตี่ของหลวงพ่ออยู่คนนะไปวัดด้วยกันสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันเข้าทําสมาธิไม่ไม่ว่องไวเหมือนหลวงพ่อ แต่พอหลวงพ่อทำสมาธิปุ๊บเนี่จิตเข้าไปสมาธิปั๊บเลยลเราก็สังเกตดูอ๋อมันคล้ายๆแอบมาพ่วงอะแอ บ, แอบมาพ่วงวเราทำสมาธิปุ๊บเนี่ยแอบพ่วงเลยจิตก็ Co อปปเป็นสมาธิออกมาเลยทำได้เป็นเรื่องของสมถาถะแต่วิปัสสนา Co อ ป, ปกันไม่ได้นะสมถะก๊อปปีได้เรื่องของจิต เป็นกีฬาของจิตเป็นการละเล่นนะมีการละเล่นเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเรื่องของสมาธิในคำพีใช้คำว่าฌานกีฬานะเป็นกีฬาฌานกีฬากีฬาของใจที่ชกกันก็ได้นะ เ, เหมือนจะโชกกันเลยเหลวงพ่อ ไปสุรินทะร์ตอนนั้นหลบงปูดลสิ้นไปแล้วมีเพลาวงหนึ่งนะชื่อหลวงพ่หนะลุดเนยหลวงพะหลุดหลวงพ่หลุดเนี่ยจิตไวมากเลยแล้วท่านชอบเล่นเจอใครก็ไปลองว่าใครจะไวกว่ากันให้ท่านก็ชนะเขาหมดเลยในเมืองสุรินทร์ <c oughs> เจอหลวงพ่อนะ เราก็เดินทางมาทั้งคืนนะนั่งรถทัวร์นั่ ง, งไม่ได้หลับเราเหนื่อยเรากล่าว่าไปถึงบนะัสแล้วเดี๋ยวจะยั่งเย็บเสนอะไรท่านไม่ให้นอนนะท่านเรียกมาเนี่ยท่านจะนั่งบนอาสนะงเงี้ยแต่สนั่งท่านข้างหลังโลกนะไม่มีไม่มีผนังแบกของหล ง, งพ่อเนี่ยเรากนั่งข้างล่างนั่งพิงเสาอยู่ข้างล่างมาถึงเอ้านั่งสมาธิ เราก็คิดว่าจะให้ภาวนาของเราพระกระแทกใส่เราเลยตูบลงมาหลวพ่อก็หลบหลบหลกหลบหลี ก, ลลกลอย่างเงี้ยหลบอย่งเ้ยนาะหลายชั่วโมงนะเราก็าช่วยโมโหนะเราก็ง่วงด้วยโมโหง่วงด้วยนะเล่นอะไรวะนะแทนที่จะภาวนานะามันเล่นอยู่นั่นนะ่ะโมโหพอโมโหเนี่นะจิตมันรวมพลังนะปุ๊บเลย ที่ผ่านมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้หลบให้ตลอดนะแม่ยังไม่ยอมเลิกอีกนะหลวงพ่อหลังพิงเสาวเลยรวมพลังนะจะกระแทกแนละ้มาอีกทีจะกระแทกแนละ้วท่านก็พุ่งมาจริงจนะท่านพุ่งมาหลับก่ากระแทกครั้งนี้ยกระเด็นตกแน่นอนเลยเพราะเราไม่มีทางกระเด็นนะท่านข้างหลังไม่มีอะไรเลยนะ แต่พอพลังมันจะปะทะกันเราหลบให้เนาะทะเลาะกับพระตีกับพระหลบอีกลบไปหลบมาจนท่านพอใจอสนุกจังเลยยังขโมยชิงแชมปนะ์โชคเราอยู่ข้างเดียวอบอกมโมยชิงแชมป์นะ <c oughs> บอกว่าไม่มีใครจิตไวเท่าท่านนะมีหลวงพ่อเนี่ยหลบท่านได้ทุกกระ บ, บวนกานะพี่คนหนึ่ง <c oughs> เราไปถามหลวงพ่อกิมบอกว่าถ้าวันนั้นคุณประโมทกระแทกเข้าไปใส่จะหลวงพ่อหลุนจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกิมก็บอกเหมือนฟ้าผ่าใส่กันเหมือนฟ้าผ่าใส่ชนอย่างนี้แรงแบบฟ้าผ่ามี่พอนักคิดเขว่าถามต่อแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อกิมบอกพระกระโยมก็จะลุกขึ้นชกกัน สติแตกทั้งคู่เรื่องของเล่นของเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เล็กๆน้อยๆทำได้นะแต่พวกเราอย่าเพิ่งเล่นเอาของจริงให้ได้ให้รากฐานมั่นคงก่อนท่านเริ่มจากของเล่นจะไม่เอาของจริงอีกต่อไปละลูกศิษย์ลงปุดูลมีองค์หนึ่งนะเป็นเนน ตายไปแล้วล่ะไม่เลยชื่อเป็นเนนมีฉายาว่าเนนสังฆราชปราดเปรื่องมากเลยอะไรอะไรู้หมดเลยนะแล้วก็จิตไวมากเนเน่กลางคืนเนี่ยนะไม่ได้ภาวนาแต่เที่ยวดูพระทั้งวัดเลยมีประมาณห้าสิบองค์เนี่ยเที่ยวดูองค์ไหนทำอะไรจิตเป็นยังไงอนะไรนี่รู้หมดเลยนะเช้าขึ้นมาก็ไปแซวครับ หลวงพี่เมื่อคืนคิดหนึ่งนี่ใหม่ดีอย่างนี้นี่หลวงปู่เรียกมาห้ามอย่าทำให้ดูจิตตนเองอย่าไปดูของคนอื่นครับครับครับรับากครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้วพอคิดว่าครูบาอาจารย์เผลอนะเอาอีกแล้วทำอีกหลวงปู่ก็ปลามไประยะระยะจนหลวงปู่มรณภาพนนไม่มีใครคุมแล้วคราวนี้ยสนุกแล้ว เล่นใหญ่เลยดูวัดเดียวไม่พอดูหลายวัดเลยดูไปดูไปเลยจิตมันกลับเข้าฐานไม่ได้เพราะยังไม่ได้ของจริงเลยได้แต่ของเล่นจิตกลับเข้าฐานไม่ได้นะสมาธิมันออกนอกตลอดสุดท้ายก็เพียนวันหนึ่งนั่งอยู่วัดสาขานะแล้วเห็นลิงลิงมันมาพอเห็นลิงเนะี่ยไปดูจิตลิงเลย แล้วไปก๊ปปี้จิตลิงมาที่ตัวเองลืมตัวเองว่าเป็นเนนนะกระโดดขึ้นต้นไม้เลยเนี่ยเพียนอย่างแรงและวพอขึ้นถึงยอดไม้มองลงมาข้างล่างที่ท้องนานะเห็นควายความรู้สึกของควายเข้ามาแล้วคิดดูควายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นควายขึ้นต้นไม้ไม่เป็นอะน่ะก็หล่นล ง, ลงมาสุดท้ายก็บ้า พี่ชายจับศึกนะพี่ชายเป็นพระจับศึกเอาเข้าโรงพยาบาลก็าหายเพราะช่วงที่เข้าโรงพยาบาลบ้านเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องภาวนาเลยพอหายแล้วกลับมาบวชเนรอีกนะแล้วก็เที่ยวไปดูอีกก็เป็นอีกเนี่ยหลายรอบนะสุดท้ายเสียใจนะไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์ห้ามก็ผุข้อตายไปไปสุคติหรือทุคติ รู้นะส่งจิตไปดูว่าดูก็จะได้ไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> งั้นอย่าเล่นเอาของจริงให้ได้ของเล่นอาไว้เป็นของแถมนะได้ของจริงก่อนจิตมันเข้าบ้านเป็นนะจิตกลับบ้านเป็นนะ้มันไม่หลงออกไปส่งจิตออกไปแล้วมันยังกลับเข้าที่ได้แต่อย่างพวกเราทำไม่ได้นะถ้าออกนอกนลไปเลยกูไม่กลับแล้วบางทีดื้อ เซนะลล์จัดไปเลยนะสอนไม่ฟังเตือนไม่ฟังนะพวกเราบางคนดื้อมากนะยกตัวอย่างอาจารย์เนี่ยนะดื้อที่สุดเลยนะเห็นว่าเป็นผู้ช่วยสอนเนี่ยแต่จริงๆนิสัยนะ่ยดือ้อดือมากๆาแอบทำอะไรบ้างาเปล่าเวลาหลวงพ่อไม่อยูนะ่ไม่กล้าบอกหรอกเห็นหน้าเราก็ารู้แล้ว งี้เวลาเราภาวนานะเราอย่าส่งจิตเราไปเล่นข้างนอกแต่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นึกถึงคนที่ดีดีนึกถึงคนดีดีเรียกว่าเทวตาโนสติอย่างเรานึกถึงคนที่ดีนะเวลาเรานึกถึงจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาเลยอย่างเรานึกถึงสมเด็จพระเทพงี้รู้สึกไห มีความสุขฮะวันนี้มีข่าวท่านไปสเสวยข้าวขาวหมูเย ว, วาราชอะเงี้ยแล้วก็อ่านข่าวแค่นี้เราก็มีความสุขและนะบารมีท่านเยอะนึกถึงเรามีความสุขแบบเนี้ยพอใจเรามีความสุขนะเรามาต่อยอดมาภาวนาต่อเราเห็นในใจเมื่อกี้เฉยๆแห้งแล้งเรานึกถึงคนดีแล้วมันมีความสุขขึ้นมาเนะี่ยใจมันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่ง มีความสุขเราก็รู้ลงไปอีกความสุขค่อยๆลดลงไปเป็นอุเบกขาแล้วเห็นอีกความสุขก็ไม่เที่ยงกลายเป็นอุเบกขาไปแล้วเบกขาอยู่พักหนึ่งใจฟุ้งแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจก็เศร้ามองกิเลสแทรกเข้ามารู้ว่าใจเศร้ามองจนกระทา่งดูไม่ออกแล้วว่ามันเป็นอะไรเราก็ทำสมถะใหม่ นะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงเทวตาคือคนดีๆนะมันคิดถึงคนดีใจิตใจจะมีความสุขมีความสงบคิดถึงมหาตามาคารทนะีรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักก็ไม่มีประโยชน์เลยนะนะคิดถึงคนที่ดี้นะ็คิดถึงฆาตกรนะคิดถึงฆาตกรใช้ได้ไหมไม่ได้จิตนะจะเศร้าหมอง เราคิดถึงคนดีเหมือนใจเราเชื่อมต่อนะความรู้สึกร่มเย็นเข้ามาในใจพอมันร่มเย็นเราได้สมาธิเดินปัญญาต่อเลยเราเห็นเลยจิตต น, นิรมย์เย็นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายสบายเดี๋ยวไปดูเบียดขาพละวเ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วเดี๋ยวทุกไปแล้วเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ปลงพลิกไปฟลิกมานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ เนไว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องยากพวกเราว่าแคบ่นกันนะว่าเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะกรรมฐานาสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้เนะี่ยเราไปดูในเรื่องอนุสติสิบประการโนะยเวนกายาคตาสติกบอนาปนะสตินะสองตัวนั้นนะทำดีๆแล้วเข้าฌานแต่ยง คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงเทวดาคูอคนดีนะคิดถึงทานที่เราได้ทําแล้วเมื่อเราทําด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะเราไปปล่อยบัวปล่อยควายอะไรเงีนะ้ยหรือเราไปช่วยคนยากคนจนนะเราทำด้วยใจบริสุทธิ์พอเราคิดถึงแล้วมันจะอิ่มใจเห็นมาตรงที่มันอิ่มใจเนี่ยมันมีสมาธิขึ้นมานะแต่ถ้าเราทําเอาหน้า คิดถึงแล้วหูหน้าโตขึ้นแบบนี้นะอันนี้จิตเกุศลนะไม่มีสมาธิหรอจิตจปกุศลก็ลคิดถึงทานที่เราทําแล้วท้วยดีคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วทีวด่ดีอย่างบางคนนะตอนเข้าพรรษาเนะี่ยตั้งใจไม่กินเหล้างดเหล้าตอนเข้าพรรษานะหรืองดเล่นอินเทอร์เน็ตในเข้าพรรษา ใจต้องแข็งมากเลยนะยิ่งกว่างดเหล้าอีกงดอินเทอร์เน็ตนะมันเป็นยาเสพติดชนิดใหม่เนี่ยถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยสามเดือนนะถ้าทําสําเร็จนะพ อ, อ, อพันสาแ ล, แล้วเรานึกถึงโอ้โหสามเดือนเนี่ยเราไม่กินเหล้าสําเร็จหรือเราไม่เล่นอินเทอร์เน็ตสําเร็จใจมันจะมีพลังนะจะเกิดพลังขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเราตั้งใจทําสิ่งที่ดีงามไหม แล้ว เ, เราทำได้จริงๆใจมันจะมีพลังจะได้สมาธิขึ้นมางั้นอย่างเรารักษาศีลดีแล้วเนี่ยเวลาเราผ่านช่วงนี้มาแล้วเรานึกถึงใจมันจะเบิกบานอิ่มเอิบรู้จักคำว่าอิ่มเอิบไหมตัวนั้นนะใช้ได้เลยมีสมาธิใจมันอิ่มเอิบขึ้นมานะมีความสุขตัวนี้เราจเจริญนปัญญาต่อไปได้เลย แล้วก็ดูเลยความอิ่มเมอิบพวกไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายไปอย่างเงี้ยอันี้จเจริญปัญญาต่อเข้าไปเลยบางทีคิดถึงความสงบอันนี้ยพวกเราความสงบของพวกเราตื้นๆคิดยากนิดนึงมันไม่ค่อยสงบเวลาไปอยู่วัดเนี่ยพวกที่มาอยู่วัดรู้สึกไหมพออยู่วัดหลายๆวันเนี่ยใจมันสงบ ใจมันเริ่มสงบมันเริ่มสบายมันเริ่มเบาออกจอากวัดไปแล้วไปอยู่บ้านใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเราคิดถึงโอ้ตอนที่อยู่วัดนะใจิตใจมันร่มเย็นนะใจมันร่มเย็นใจไม่ค่อยมีภาระอะไรพอเรานึกถึงเนี่ยใจก็เกิดสมาธิได้หรือเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราคิดถึงความสงบคือเรานึกภาพสั ญ, ญลักษณ์ของความสงบไม่ออกอะ่ะ นึกถึงความสงบนึกยังไงนะเราลองคิดถึงอย่างขนาดนี้ทำใจสบายเรารู้สึกไหมเราได้ยินเสียงเสียงลิงอยู่ในหูเราเวลาใจเราสงบสบายมันจะได้ยินนะมันมีอยู่ทั้งวันนะเสียงอันนี้อาจจะเป็นระบบประสาทอะไรของเราทำงานก็ได้ลองฟังซิเสียงของความสงบ ได้ยินไหมเหมือนเสียงจิ้งหรีดเหมือนเสียงแมลงร้องนะแล้วทําใจเว่าเรากําลังนั่งอยู่ในป่าถ้าเราชอบป่าถ้าไม่ชอบป่าแล้วกําลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะที่สบายไม่มีเสียงเห็นไหมใจเริ่มสงบแล้วนะหลายคนก็เริ่มสงบแล้วเนีคิดถึงความสงบ ถ้าเป็นพระรยะบุคคลให้คิดถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าอุปัสมานุสตินะคิดถึงความสงบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้ได้นะบางทีใจเรานะี่ยโลดโผนจนทยานมากชั่วมากเลยอยากจะฆ่าเขาแล้วนะเราก็พิจารณาลงไปเนี่ยเจ็บแขนเขามากนะอีกหน่อยเราก็ตายแล้วแย่งชิงสิ่งโน้นสิ่งนี้แย่งกันจะเป็นจะตาย สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครครอบครองอะไรไว้ได้จริงแย่งกันใหญ่แย่งกันมีอำนาจแย่งผลประโยชน์กันนะสุดท้ายก็ว่างเปล่าเวลาตายมือว่างเปล่ า, ม า, ลาไม่มีอะไรทําไมเขาไปลดน้ําศพให้มือแบเป็นการเตือนพวกเราว่าตอนมีเนี่ยกรรมไ้หมดเลยนะถ้าตอนตายแบแล้วว่างเปล่าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเราพิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ย ไม่นานก็ต้องตายไปเราจะโลภมากทำไมเราจะโกรธมากทำไมเราจะหลงโลกมากนักทำไมมันไม่ได้มีสาระอะไรจริงในที่สุดทุวอย่างก็ว่างเปล่าพอตายลงไปในสิ่งที่เคยมีก็ไม่มีบ้านของเราก็กลายเป็นของคนอื่นทรัพย์สมบัติของเราก็เป็นของคนอื่นบางทีเมียเราก็ไปเป็นเมียคนอื่นสามีเราก็ไปเป็นสามีคนอื่น บางคนเนี่ยเรายังไม่ทันตายมันก็ไปเป็นสามีคนอื่นละนั้นสันดานช่างมันมันชั่วทิ้งมันไปไปคบคนชั่วแนละชวนมันอย่าเลิกมไปเอาสมบัติไว้ไล่ตัวมันไปนะเนี่ยพอเราตายนะไอ้ที่กรอบคุยไว้ไม่มีอะไรเหลือพอนึกถึงใกล้ตายคนก็มาสอน ท่องไว้พระลรหันพระลรหัน์นะท่องพระลรหันพระละหันกายก็เป็นหมูหันไปแล้วนะมันตะกละอยากกินหมูหันขึ้นมานใจที่มันเคยชั่วนะ้ปท่องพระลรหันนะตอนที่ใกล้จะตายจริงๆจิตมันตัดความรับรู้แล้วมันเหลือแต่จิตใต้สํานึกทํางานนะ้วงั้นไครจะมาสอนท่องพระลรหันนะไม่ได้กินหรอกนะงั้นต้องท่องของเราเองตั้งแต่อย่าไม่ตายพุโทโธพุโทโธไปนั่นแหละ เวลาจะตายได้มีที่พึ่งจะให้คนอื่นมาบอกเราตอนเราใกล้ตายพุโทโธไว้ใจมันไม่เคยพุโทโธพอจิตตกภวังลงมานะจิตใต้สำนึกจะทำงานไนอะ้ที่คนอื่นบอกคนอื่นสอนนะลืมหมดแล้วเคยยังไงก็เป็นอย่างนั้นวันนี้คนใหม่เยอะนะมีคอร์สเจสิบคนส่วนใหญ่เป็นคนใหม่ หลวงพ่อสังเ ก, เกตเมื่อวัน น, นี้หลวงพ่อเทศเบสิกมากๆวันนี้ก็เบสิกมากๆสมาธิพวกเรายัางไม่พอนะงั้นวันนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังของสมาธิให้เรา น, นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสดานนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนดีนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงความสงบนึกถึงความตายอะไรพวกนี้ยทําให้สม่ําเสมอ ทำทั้งวันได้ยิ่งดีจิตจะส่งสมาธิขึ้นมาพอส่งสมาธิขึ้นมาแล้วค่อยเดินปัญญาต่อถ้จิตวอกแวกวอกแวกไม่มีสมาธิอย่าพูดเรื่องเดินปัญญาเลยเสียเวลามันฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเพราะฉะเราพยายามฝึกใจเราให้มันร่มร่มอย่าง น, นี้ภาษาสมัยนี้ฝึกใจให้มันร่มร่มถ้าโบราณให้มันร่มเย็นเป็นสุขนะ ให้มันอิ่มเอบสงบสันติอยู่กับตัวเองค่อยๆฝึกไป ใ, ใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะแล้วก็มาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานนวยจิตใจที่มีความสุขนวยจิตใจที่สบายนะค่อยๆทนไปไ้ทานข้าวนีหมดแล้ะครับเชิญกรรมการเชิญผู้ช่วยสอนอพวกทิด ทิดหมายถึงคนที่เคยบวชขอนิัยอยู่กับหลวงพ่อนะทําไมลําเอียงไม่เรียกทิดมัดอื่นพวกที่บวชกับหลวงพ่อเนี่หลวงพ่อเทรนมามันเหมือนนักเรียนอีกระดับหนึ่งแล้วเป็นนักเรียนอีกชั้นนึงเอานักเรียนหลายชั้นไปเรียนรวมกันเรียนไม่ได้ยิ่งไม่ได้ลำเอียงอะไรหรอเมตตาเหมือนเหมือนกันแหละ